คือเมื่อวานนี้ก็มีหลายท่านที่เดียวสนใจเรื่องปริญญานะอซึ่งคงจะหลายท่านเหมือนกันที่ยังไม่ไม่ไม่เข้าใจเราปริญญาคืออะไรแน่เนะพราะเพราะปกติเพราะเว่าคุณบุญ ม, มนะีบอกเพิ่งเคยได้ยินนะก็ก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยเคยได้ยินนะ ไปศึกษาธรรมะสำนักไหนสำนักไหนก็ได้ยินบ้างนิดๆหน่อยๆไม่ค่อได้ยินแต่จริงๆแล้วปริญญานี่มีความสำคัญมากเลยนะเพราะว่าเมื่อพูดถึงอริยสัจสีนี่นะครับโดยมากพูดถึงจิตของอริยสัจสีนี่บ่อยมากเลยนะว่าทรงตัดสั้นอริยสัจสีด้วยจิตอะไรจิตอะไรนี่นะปริญญากิจปหาหน้ตับภกิจนี่นะสัจจิกาตับภกิจภาวนาะภาเวตับกิกนีจ เราได้ยินเป็นประจำเลยแต่ว่าเราไม่เราไม่รู้เลยว่าอปริญญากิจมันเป็นยังไงที่แท้ก็คือการเจริญนุปั ส, สนานั่นเองเถ้าเอารูปมาทําปริญญาก็แสดงว่าเรากําลังเจริญกายานุปั ส, สนาสติปัฏฐานอยู่ถ้าเวทนามาทําปริญญาก็คือเวทนานุปั ส, สนาสติปัฏฐานอยู่เนี่ย ก, ก็คือสิ่งเดียวกันเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือเรื่องของโยนิโสมาสิการนะฮะหรือเป็นการกระทําการงานทางจิตเนี่ยผู้นั้นก็จะเริ่มเข้าใจว่าปริญญาคืออะไรแล้วก็ปริญญาเป็นเรื่องที่กว้างขวางมาก ผมพยายามที่จะเขียนเรื่องปริญญาขึ้นมาเพิ่มอีกบทหนึง่งสาหรับหนังสือเล่มเก่าผมที่จะพิมพ์ใหม่นี่นะฮะผมเขียนมาหลายหนแล้วในสุดผมก็ต้องทิ้งไปหมดเลยเนพราะเขียนไปไม่ไม่สามารถที่จะเขียนได้ได้อะไรอ่ะได้ได้ได้ไดไดทําให้คนคนอื่นพูดเข้าใจนะครับเพราะเขียนแล้วยิ่งกว้างโดยเฉพาะจริงๆแล้วนะโดยเฉพาะยาตะปริญญานี่นะฮะผมเข้าใจว่า เป็นเรื่องที่ยากกว่าตีรณปริญญามากเลยเพราะตีรณนาปิญญาเนี่ยอาศัยพื้นฐานของยาตาปิญญานี่ความเห็นของผมนะครับยาตาปิญญาเป็นเรื่องที่กว้างขวางมากเลยถ้าเราจะกล่าวแบบคลุมคลุมนะปริยัตทั้งหมดโดยเฉพาะในพระพิธรรมนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของยาตาปิญญาซะส่วนใหญ่ทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงกว้างขวางมากเลยแล้วในพระสูตรนั้นเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยตีรณปริญญาเกือบทั้งหมดเลย ในสังยุตตนิกายในขันธวารวัคหรือสลายตนวัคนี่นะเริ่มจากตรีตรตีระนปริญญาหมดเลยนนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องยาตาปริญญาเนี่ยก็ผมว่ายังมีหลายท่านที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนักนะไม่ทราบว่าพระอาจารย์มีความเห็นยังไงคือของเราเนี่ยมันเป็นอะไรนะเป็นห้องเรียนที่ เรียกว่าเข้ามาเรื่อยๆไม่มีรุ่นแต่เนื่องจากไม่มีรุ่นเนียก็ก็ค่อนข้างคือคนที่เรียนค่อนข้างมาต่อเนื่องก็ก็พอได้แต่ถ้ามาครึ่งๆกลางๆหรือมาลัดเอาก็เกือบจะจบแล้วก็อย่างว่าเพราะว่าหลายๆคาก็ถือว่ารู้กันนะเพราะว่าแต่ว่าถ้าโดยรวมๆแล้ว ก็นับว่าเป็นการเรียนที่ย้อนหลังมากที่สุดและในบรรดาการอธิบายพระธรรมเหม็นคือเรื่องเดียวนี้พูดจนน่าจมาคล่องหมดเลยไม่รู้คนฟังเป็นยังไงไม่ทราบนะฟังจนคล่องเหมือนกันเลยนะบางคนก็บอกทักขึ้นอย่างนี้ต้องต่อด้วยอย่างนี้เขาว่าได้แล้วนะคุณสวัสด์ก็บอกกันขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวต้องต่ออย่างนั้นงั้น่านแถนกผู้ฟังฟังออกหมดละ ใช่ไเป็นบางคนบอกว่านี่ถ้าขึ้นอย่างนี้ต้องต่อด้วยอย่างนี้เขาวางอันก็ส่วนผู้ที่ยังไม่คุ้ น, นี่ก็ลำบากผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะว่าในสมัยพุทธกาลนี่นะทา ย, ยาตาปริญญาเนี่ยนะท่านถือว่ารู้แล้วท่านถือว่ารู้แล้วเพราะว่าอยู่กับครูบาอาจารย์สมมติบบว่าบวชในสำนักใดตำน่งหนึ่งอยู่5้าปีเนี่ย แล้ว เ, เ, เรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นอาชีพอย่างเดียวเลยะนะน่าห้าปีเนี่ยนะเพราะนั้นเรื่องยาตาปริญญาไม่มีปัญหาเลยนะเพราะฉะนั้ในพระสูตรนะฮะท่านพูดถึงเรื่องรูปน ะ, ะท่านไม่ได้อธิบายเป็นการลาบไม่อธิบายโอ้โหมันเป็นมันเป็นประกอบไปด้วยรูปมหาพูทธรูปภูปาไทยรูปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างละเอียดนะท่านบอกว่ า, าดูก่อนภิสูจน์ทั้งหลายรูปคืออะไรรูปคือมหาพูทธรูปและรูปที่อาศัย จบแล้วท่านร่างกันนะหรือถ้าเวทนานะท่านบอกเลยเวทนามีอะไรบ้างเวทนาหกเช่นจกักขูสัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาท่านขึ้นเท่านี้หกอย่างนะทั้งหกทวาร น, นะเป็นอันว่ารู้แล้วว่าไอ้เวทนาเนี่ยมันมาจากการประชุมกันไนดะ้อะไรมาจากอะไรแต่อะไรแล้วมันจึงเกิดจะเป็นเวทนาตัวเนี้ยท่านพูดเท่านี้ครับเพดัะนั้นผู้ที่อ่านตรงนี้ปั๊บเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องเลยว่าเวทนานี้ มันมาจากอะไรนะในขั้นย า, าปริญญาก็าก็ยากที่จะเข้าใจครับเกยรูปแบบการศึกษาของสมัยนั้นกับสมัยนี้ก็ต่างกันสมัยนั้นนี่เขาเขาเรียนแบบพ่อสอนลูกหรือแม่สอนลูกกันนหะมคือได้จังหวะก็พูดเลยได้โอกาสก็พูดเลยหรือตอนที่คือไม่ได้เป็นทางการมากนะักก็จะค่อยๆเรียนเขาเขาเรียนลักษณะพ่อสอนลูกเนี่ยนะคือบอกเล่าทุกอย่าง พร้อมทั้งอะไรนะพฤติกรรมด้วยทั้งคือแนะให้ทั้งวิชากับจารณะอย่างนี้เนี่ยสืบเนื่องเลยห้าปนะีเพราะว่าธรรมวินัยนี่บังคับเลยว่าจะต้องอยู่กับอาจารย์ห้าปีแล้วก็ผู้ที่จะเป็นอาจารย์ก็ต้องมีคุณสมบัติของอาจารย์นันะนะก็องค์ประกอบอย่างนั้นเมื่อได้การยานามิตรอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วนยะ มีอินรีย์สังวรรู้โภชเนมตันยุตาชาคริยานุโยกเพราะบางแห่งเนี่ยหลักการมีว่าถ้าอาจารย์ยังไม่นอนเนี่ยลูกศิษย์ต้องไม่นอนเนี่ยนะก็ต้องตื่นก่อนอาจารย์อีกอย่างนึงนะนีนนนค่คือคือหลักการของเขาเป็นอย่างนั้นเพราะต้องเพราะว่าถ้าอาจารย์ตื่นปั๊บต้องมาถวายน้ำแหละเนี่ยะต้องมาถวายน้ําต้องมาอะไรเป็ดๆอย่างนี้นะนี่ก็ระหว่างที่อาจารย์นี่ก็จะแนะนํากันไปก็คือบอกคุยกล่าวให้ฟังว่าเรื่องเป็นอย่างนี้นะหมวดนี้เป็นอย่างนี้ แล้วก็ถ้าโดยรวมๆเนี่ยถ้าอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงๆเนี่ยนะกิริยาทุกอย่างของลูกศิษย์เนี่ยจะเขาจะรู้หมดเลยนะคำพูดที่หลุดออกมาหนึ่งคำเนี่ยเขาเข้าใจแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยอาจารย์จะรู้ทั้งหมดนะเพราะว่ารู้เหมือนอะไรนะเหมือนพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมานะถ้าถ้าลูกตอนเนี่ยถ้าอยู่กับลูกมาตลอดเลยนะถ้าลูกอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาเขาจนรู้นิสัยกันขนาดนั้นเพราะว่า ธรรมะก็ะวินัยก็บอกว่าให้ให้ยังความรักในลูกศิษย์ประดุดบุตรเนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่เป็นลูกศิษย์ก็วางใจในอาจารย์เหมือนกับเป็นพ่อจริงๆก็เรียนกันไปอะไรกันไปอันนี้พูดถึงสมัยสมัยโน้นนะ่ยนะสมัยโน้นเขาเ้าเป็นอย่างนั้นกันพอมาเป็นสมัยนี้ก็มันกําพาร้ายิ่งกว่ากําพารกันอีกนะก็เพียงแต่ว่ายังมีบุญว่ายังมีพระไตรปิฎกอยู่ให้เราได้เรียนได้อ่าน คนที่รุ่นเรียนพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกแรกๆเลยเนี่ยนะไม่รู้ไปยังไงมายังไงเปรียบเหมือนบันนอกเข้ากรงเลยแหละไม่รู้ถนนเส้นไหนเป็นเส้นไหนเขามาจากไหนจะไปไหนไม่รู้สักอย่างนะอย่างขอ้อมานี้ก็ประเภทนั้นเลยแหละไม่รู้เลยนะทิฐิพรหมชาลสูตรทิฏฐิหกสิบสองเราว่าทิฐินี้มันถูกพระพุทธเจ้าก็ว่าไม่ถู ก, อ, กอีกเอ๊ตกลงจะให้เราเอาอยัางไงกันแน่ นะเราก็เอ้ไม่ให้สมาเราก็ถือว่าเมื่อก่อนเออรูปเป็นอนัตตาใช่ไหมวิญญาณมันน่าจะเป็นอัตตานีเราก็คิดภาษาเราแต่แลราก็ควมันก็ค่อยๆคัดไปเรื่อยก็นับว่ายากมากเพราะเราทั้งหลายเป็นรุ่นที่เรียกว่าเหลือแต่คัมภีร์เหมือนเมือนกันเนี่ยหลายๆเรื่องกว่าจะเครียกว่ากว่าจะคุ้นเคยก็ใช้เวลานานแต่ถ้าเทียบถึงในยุคสมัยยุคสมัยนี้เนะ ของห้องเรานี่ก็นับว่าฟังทำนานที่สุดแล้วในบรรดาที่ที่เกิดมารู้จักนะนะฟังในลักษณะนี้ตั้งแต่เกิดมาเลยเนาะโอ้ยที่ไหนเขาฟังเดือนหนึ่งนี่เราก็ชมมาอ้โหทำไมเขาฟังได้ตั้ง น, อน้องตั้งเดือนหนึ่งอะนะมีอยู่ครั้งหนึ่งไปแสดงธรรมที่อําเภอบุญทริกอําเภอบุญทริกนะชายแดนลาวโน่นนะแล้วก็ไปพูดหยุดเดือนหนึ่งนะโอ้โหทำไมมันนานจริงๆเลยเดือนหนึ่งอนะตั้งเดือนหนึ่งอะนะเชียงใหม่นี่มันตั้งกี่ปีแล้ว่ะ นี้นานกว่าตั้งเยอะเลยนะคือยากจริงๆที่แม้กระทั่งแค่ฟังก็ยังยากจะกล่าวปยายถึงถึงเกิดความรู้ความเข้าใจตามพระธรรมคาสอนผู้ที่ได้ฟังทำกับไม่ได้ฟังทำเนี่ยนะพวกที่ได้ฟังเนี่ยน้อยมากแล้วที่ได้ฟังแล้วจำได้ก็น้อยลงไปอีกเห็ น, นถึงครึ่งนะอาจจะเกินในซ้ำห <laughs> าหยกำลังมาถามว่าใครจำอะไรได้บ้างเียนะ โอยอย่าไปถามเลยเดีวศัตรูกันเกิดชัดๆเลยนนะเดี๋ยวจะผูกเวรกันเปล่าๆไหนไปเรียนมาจำอะไรได้บ้างอะนะผูกเวรกันแน่ต่อไปก็อย่าไปถามขนาดนั้นเลยนะแล้วพวกที่จำได้นะเอาไปคิดนี่มีกี่คนก็ไม่รู้คือเอาไปประยุกใช้จริงๆนะถึงจำได้ก็เถอะ เช่นจิตสิบหจิตมีราคาจิตปราศจากราคาเป็นต้นเอามาไขครควนจริงๆในชีวิตที่เป็นจริงก็น้อยลงไปอีกนะนะ่อย่างเราเรียนอริยศาสตร์เนี่ยชาติปิทุกขาชร า, าปิทุกขาฟังสักคล่องหมดเลยถ้าขึ้นชาติพิทุกขาโน่นแหะต้องจบที่อุปายาตเป็นต้นเนี่ยรู้เลยแต่ว่าอนี่ตอนฟังนะตอนขับรถกลับบ้านก็ปกติไม่มีอะไรนะ แบบผู้การว่านะก็ตอนในห้องมันบรรยากาศหนึ่งอะนะออกไปแล้วก็อีกบรรยากาศหนึ่งนะมันก็เลยทั้งๆ ท, ท, ที่จําได้แต่ว่ามันเจริญไม่ค่อยได้อย่างสมมติเมตานี้เราก็เรียนงานใช่ไหมเออคิดให้สัตว์มีความสุขเนี่ยนะแล้ววันหนึ่งแทบไม่ได้นึกเลยว่าเออเมตาก็มีนะอย่างไงเรื่องศีลเป็นต้นเนี่ยจะนึกถึงสักกี่ครั้งเชียขนาดจําได้นะแต่ว่าเอามันนึกเอามาคิดจริงๆเอามาใครค่ครวญเอามาเจริญจริงๆก็น้อยลงไป เนั้นผู้ที่ฟังได้ฟังก่อน้อยผู้ที่ฟังแล้วทรงจําไว้ก่อน้อยทรงจําไว้แล้วเอามาใคร่ครวญมาเจริญก่อน้อยที่มาเจริญแล้วเจริญแบบปฏะติประตอก็น้อยลงไปอีกมันก็น้อยๆอย่างนี้ เ, เมื่อกี้ที่กล่าวถึงเรื่องปริญญาเนี่ยนะปริญญานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากปุตตชนทั้งหลายที่อยู่ในวัดตะก็เนื่องจากเขาไม่ได้ทําปริญญา ในมูลปริยยสูตรพระองค์ตรัสระของปุตุชนเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่เห็นพระอริยะเนี่ยนะไม่ได้ฟังธรรมะของพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่มีสังวรวินัยไม่มีปะหานวินัยของพระอริยะไม่พบสัตว์บรุษไม่ได้ฟังธรรมของสัตว์บรุษไม่มีวินัยของสัตว์บรุษปุตุชนเหล่านั้น ไม่มีการกําหนดรู้มหาพูดไม่ไม่กับานะสำคัญยึดมั่นในธาตุดินเพลิดเพลินสําคัญว่าธาตุดินเป็นของเรายินดียิ่งนักในธาตุดินทั้งหมดนั้นเพราะเขาไม่กําหนดรู้ว่ารวมรวมโดยสรุปก็ปุตชชนไม่กําหนดรู้ธาตุดินนะไม่กําหนดรู้ธาตุน้ําไม่กําหนดรู้ธาตุไฟไม่กําหนดรู้ธาตุลมยัไม่กําหนดรู้พูด ไม่กําหนดรู้เทวดาไม่กําหนดรู้ประชาบดีไม่กําหนดรู้พรหมไม่กําหนดรู้อสัญญาสัตตาพรหมไม่กําหนดรู้อรูปพรหมกุตชนนั้นไม่กําหนดรู้ผู้ที่ไม่ได้ฌานเนี่ยนะไม่กําหนดรู้ผู้ที่ได้ฌานไม่กําหนดรู้เนี่ยทวารตาสีเสียงกลิ่นรสปฐพภะธรรมรมไม่กําหนดรู้สักกายะทั้งหมดไม่กําหนดรู้พระนิพพาน อันนี้ว่ารวมๆนี่ปุตุชนไม่มีปริญญาเลยเหอปริญญาตัติวัามิเรากล่าวว่าเขาไม่ได้ทำปริญญาเหไก็ดังที่กล่าวว่าเราทำปริญญาอะไรบ้างเนี่ยจะรู้เลยว่าเออความเป็นปุตุชนสมบูรณ์จริงๆเรักษาไว้ดีเยี่ย ม, ม <laughs> เพราะไม่ได้ทำปริญญาเลยไม่ได้ทำปริญญาในท่าสี่เนไ ถ้าสี่นี่ก็ว่าสาธยาอาการสามสิบสองก็สาธยายในห้องเรานี่ใครสาธยาอาการสามสิบสองได้บ้างผู้การหนึ่งสองสุดทีนแถวหน้าได้กี่คนในหนึ่งคนน่นนะมอพิพินได้นะั่นหมอรัตยังยังไม่ได้สาธยายจำวินิจได้ยังอาการสามสิบสองอ๋อได้ไม่ครบนะอ๋อไม่ลำดับอนะเนะพราะว่ารู้จักอยู่แล้วใช่ไหม อนนะแถวกลางๆคุณไยเรียนได้ยังสามสิบสองอ๋อได้แล้วเนอะไม่เสียแรงพี่พิมพ์เอกสารแจกไปอนนะ้คือเขาบอกว่าสาทยายังยังไม่ค่อยได้จะกล่าวประยายถึงพิจารณาเนี่ยนะก็นี่ก็อ่อนลงไปถ้าธาตุดินน้ำลมไฟอ่อนอะไรอ่อนตามมาพิจารณารูปประขันก็น้อยลง สายใจรูปประคันน้อยถ้าสายใจรูปประคันน้อยเท่าไรกายานุปัสนาสติประฐานก็ก็อ่อนแรงลงตามนั้นอันนี้ถ้าถ้าพูดโดยสติประฐานนะดอกไม้กำบังหมดหรือเปล่านี่ยสูงมาก สรุปว่ามหาพูดเป็นเหตุให้เรียกอะไรรูปประขันเพราะเพราะมหาพูดมีอยู่รูปประคัจึงจึงมีใช่ห mm. เมื่อมหาพูดมีอยู่รูปประคันจึงมีเพราะเพราะอะไรเพราะว่าองค์ประกอบเมื่อกล่าวมหาพูดก็แบ่งเป็นรูปที่เป็นกลุ่มภาษาทะกับ วิสยะวิสยะก็คือวิสัยก็ชื่อว่าแสดงแล้วโดยที่มีมหาพูดเป็นเหตุใกล้ใช่ไหมถ้ากลา่าวธาตุดินน้ำลมไฟตาหูจมูกลิ้นกายหัตะยะก็ชื่อว่าแสดงแล้วทีนี้ถ้ามีตาตามก็ต้องเห็นสีหูก็ฟัง เสียงจมูกก็รู้กลิ่นเลนก็รู้รสเนี่ยนะโพธภะก็คือตัวมหาพูดนั่นแหละเป็นโตพตาภะปัทวีเตโช ว, วาโยเนี่ยนะแล้วก็โอชาเป็นต้นถ้ามีรูปเหล่านี้อยู่ที่ใดนนะชีวิตจำต้องรักษาใช่ไหม ต้องมีชีวิตมาหล่อเลยยี้ยงรูปนี้ไม่ไม่ชายก็หญิงก็เป็นชายเป็นหญิงถ้าเมื่อเกิดการขยับตัวเมื่อไหร่เกิดการขยับตัวเมื่อไหร่ก็เป็นวิญญาตเนี่ยนะถ้ามีการขยับตัวเมื่อไหร่ก็เป็นวิญญาตการเกิดขึ้นของรูปเรียกว่าอุปจยะเดี๋ยวรูปมันก็มีการเจริญเติบโตมาใช่ไหมอุปจยะ สัน ต, ติพอเกิดมาสืบต่อมาแก่ไหมแต่แก่แล้วก็อ น, นิจจตาแก่ก็ตายเตอนไหนมันเบามันอ่อนมันคล่องดีก็ละหุตามุทุตากรรมัตตาะหูตามุทุตากมััตตาแต่หลายๆครั้งมันไม่ค่อยทำงานเลยตัวนี้ การแกสอนมันทำงานดีไหมแล้วหูตามุทุตากัมมัญญาตานีาบบายะอ๋อทาไม่ป่วย๋อใช่พูดถูกแล้วละ่ะถ้ามันไม่ป่วยมันก็มีแสดงว่าสุขภาพรวมๆดีก็อายุเจ็ดสิบนี้สุขภาพดีขนาดนี้ก็เจ๋วแล้วมีไม่กี่คนหรอกแต่ถ้าเป็นย่ายายแถวบ้านก็โปรกกับเพลกเต็มทีแล้วขนาดนี้ นี่นะก็มันหนักใช่ไหมก็เป็นครุแทนอนุมก็อะไรนะพวกแข็งก็กักขะเออแต่ไม่ใช่ลักษณะคําว่ากักขะคื อ, ค, อคือมันแข็งกระด้างอ่ะนะมันหยาบก็พวกกักขระเป็นต้นนั่นกรรมักษะก็คืออากรรมยักษ์ก็คือไม่คู่ควรเลยมันหนักเช่นลุกกลมเลยไปขึ้นไม่อ่อนยกตรงไหนมันก็เมื่อยเป็นหมดอย่างเงี้ยนะพวกนี้แหละ แต่ก่อนนี้เรียนเรื่องรูปปรรมะนี่นะแล้วก็เรียงไกลตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพ่งมาที่ตัวนะฮะโอ้เลยเลยไม่เข้าใจครับลูกหูตามุทูตาก็ลายเป็นศัพท์กลายเป็นคำที่จะต้องไปนั่งจดจำอันที่จริงก็เขาอยู่ในชีวิตประจาวันเนี่ยนะก็สังเกตดูนะว่าอย่างมันมอยไปหมดเลยเนี่ยนะก็แสดงว่าจะลุกจะเหินจะเดินก็มันหนัก เป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ไม่คล่องไม่แคล่วไม่กระปรีก้กระเป่าอะไรพวกนี้นะไม่คล่องไม่แคล่วไม่กระปรีก้กระเป่าอะไรเลยเนี่ยก็เรียกเป็นภาษาบาลีว่าเนี่ยะหูตามุทุตากรรมยตาไปารูปพวกนี้นี่เป็นอาสภาวรูปเนนะมนมันขาดอะไรไปอีกเนี่ยโอ้อากาศอีกอั น, นหนึ่งนึ่งอันนี้สองควิญญาตสองสเป็นอากาศ 4 5 6ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบพวกนี้เป็นอสภาวะวินยัตสองยัไงก็พวกนี้เป็นอสภาวะรูปมันเป็นสิ่งที่อาศัยพวกที่เหลือพวกที่เหลือก็เป็นสภาวะรูปคือมันมีสภาวะทั้งพวกวินยัตริรูปมันก็เป็นผลพลวงของ พวกรูปต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละอากาศก็คือช่องว่างของพวกนั้นนั่นแหละอุปจัยะก็คือตอนที่มันก่อตัวขึ้นสันตติก็หลังจากนั้นมันก็สืบต่อกันมาชารตาก็แก่ก็ตายบางครั้งมันก็เบาอ่อนควรแก่การงานเพรา ะ, ะนั้นรูป28มันก็มีอยู่เท่านี้แหละนี่เรียนรูป28จบแล้วประเฉดหกพานจริงๆถ้าเรียนถ้าครูบาอาจารย์สอนดีๆนะครับ ไม่น่าจะยากเกินไปสิ่งเหล่านี้เพรามันอยู่ีนตัวหมดเลยฮรถามว่าชะลาอะไรก็ตาน่ะชะลาถามว่าล้หูมันเบาไหมตาบางทีมันก็หนักนะครับหนังตาเนี่ยนะบางทีมันก็หนักบางทีมันก็เบาใช่ไหมแล้วก็มันยตาเนี่ยทํำมันมันมันไม่เหมาะอะทำอะไรเลยครับบางครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิ้นไม่ว่าเป็นจมูกอะไรนี่นะครับก็อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยก็ถ้าถ้าวิเคราะห์ดีๆอนะอย่าง ถ้าเอามาหาพูดเป็นตัวหลักนะไหมแล้ววิเคราะห์เป็นกลุ่มตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นกลุ่มประสาทสัมผัสเมื่อประสาทสัมผัสก็มีสิ่งที่มันรับมาเะะมื่อรับมาเนี่ยแล้วก็มันก็ชีวิตรักษาไม่ชายก็หญิงก็มีอยู่สองหอางขนาดนั้นนะนั่นะนะหัตยะก็อยู่เนี่ยนั่นะ น, ะนะแล้วพวกส่วนวิญญาณ อากาศอุปจารย์สันติชาราตานิจาตาเขาก็มีชื่ออัลกลุ่มนี้เรียกว่าลัคนารูปนะอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าวิการารูปแล้วก็อันนี้ก็เป็นปริเฉทรูปอันนี้ก็เป็นภาวะรูป น, นี้ชีวิตรูป น, นี้วิสยารูปนี่ภาษาธรูปนี้มหาภูตรูปอนะันน นี้ก็หาทยารูปโอชาก็ก็มีอยู่เท่านั้นซึ่งถ้าว่าตามความเป็นจริงมันก็ชีวิตของเรานั่นแหละเพียงแต่ว่าเอามาคิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นพุทธพจน์จะบอกว่ามหาภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปถามว่าทำไมไม่แสดงทั้งนี้อย่างนี้ไปเลยแล้วมันอย่างนี้ครบทุกแห่งที่ไหนล่ะใช่ไหมยอย่างตามันก็มีมหาพูดกับตาบวกสีบวกกลิ่นบวกรสบวก บวกโอชาไปหน่อยเดียวบวกชีวิตอีกทีคือมันเนื่องจากว่าในแต่ละตำแหน่งมันไม่ได้มีครบทั้ ง, งหมดเนี่ย อ, อ, อย่าลืมว่าการแสดงของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการแสดงเพื่อให้เอาไปพิจารณาเนี่ยนะเพื่อเป็นบาตให้ให้คิดเป็นเนี่ยนะเป็นลักษณะของคำพูดของผู้ที่ได้ปฏิสัมพิทาคำพูดแบบประเภทปฏิสัมพิทาเนี่ยก็โดยเฉพาะนิรุติเนี่ย นิรุติปฏิสัมพิทาพูดถึงอะไรก็พูดถึงอัดกับพูดถึงธรรมเพระะนันคำพูดใดก็ตามที่ที่ที่เป็นผุทพจน์เนี่ยจะต้องพูดแล้วให้เห็นอัดกับรู้ธำเนี่ยนะเพราะคำพูดพระองค์จะเป็นลักษณะนั้นให้อย่างถึงสภาวะได้เอาไปพิจารณาได้อันนี้ผมขอช่วยพวกผมแล้วกันนะครับคือ ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นยาตาปริญญาที่จะต้องรู้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโอ้มันไม่ถจะทิบายยตาปริญญาด้วยด้วยหน้าสองหน้าเนี่ยมันยากจริงๆนะตอนนี้ตอนนี้ยกตัวอย่างว่าในพระสูตรท่านกล่าวอย่างที่พระอาจารย์บอกว่านะรูปคืออ่อนลายรูปคือมหาพุทธรูปและรูปที่อาศัยนะท่านพูดอย่างนี้นะเสร็จแล้วท่านบอกว่าเหตุเกิดของรูปค่อยๆไล่ไปนี่นะครับเนี่ยเหตุเกิดของรูปถามว่ารูปอันไหนก็รูปอันเนี้ย แล้วท่านลองที่บายดูครับเหตุเกิดของรูปก็อย่างในพระสูตรคือเราต้องต้องคนที่เรียนเรื่องนี้ก็กรรมมศกตาดีอยู่แล้วใช่ไหมรู้อยู่แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนอันนี้ก็มันกลุ่มรูปนี้พวกนี้ก็เกิดจากกรรมสีก็ส่วนหนึ่งกรรมเสียงนี่นะต้นสมุทรฐานต้นต้นต้ น, ตนคือกล่องเสียงมันนก็กรรม เลนบางคนกลิ่นตัวแรงบางคนพวกปฐวีหลายส่วนก็มีกรรมเป็นสมุทฐานแต่ถ้าเป็นพระสูตรบอกเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าตั้งแต่เริ่มอยู่ในคันมารดาเป็นต้นมานเนี่ยนะถ้าอาหารไม่พออะไรจะเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในคันนะถ้าไม่รับอาหารจากแม่เลยคลอดออกมาเขาไม่ยอมไม่มีให้ใครให้กินเลยนะอะไรจะเกิดขึ้นก็เช่นที่เขาบอกว่าถ้า ถ้าเด็กเกิดมานะขาดแร่เหล็กขาดธาตุเหล็กเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นแต่ไม่นิดเลือดปัญหาเรื่องเลือดเลยแล้วอะไรที่สมองเสียเลยคุณภาพสมองลดลงเลยคุณลีอะไรเนี่ยครับออกซิเจนเขาบอกว่าอาหารบางอย่างถ้าเด็กบางอย่างขาดนะทาให้สมองเนี่ยไม่มีคุณภาพก็มีทำให้ความจำไม่ดีอะไรเป็นต้นเนี่ยนะเขาก็มีผลมันว่าโดยรวมๆนะคาว่าอาหารก็บวก ยาเข้าไปด้วยมันดารงอยู่ด้วยอาหารอยู่ด้วยยาจริงๆก็วันหนึ่งกี่มือสามมือใช่ไหมถ้าเด็กเนี่เกินสามมือเพราะต้องดูดนมตลอดเดี๋ยวก็ดูดนมเดี๋ยวก็ดูดนมเดี๋ยวก็ดูดนมทพราะหลายมือมากขนาดโตมาน้ําเนี่ยทยอยเติมไปเรื่อยๆใช่ไหมเดินน้ําครั้งสุดท้ายกี่ชั่วโมงที่แล้วหนึ่งชั่วโมงที่แล้ว นั่นนะหนึ่งอะไม่ใช่ปการไม่ใช่แ้ําตั้งอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็เติมอีกหน่ยคนที่ไม่เติมเดี๋ยวก็เตรียมเติมนะนั่นนะก็หมุนเวียนว่าโดยรวมๆก็เกี่ยวเกี่ยวกับอาหารทีนี้อาหารเนี่ยมันถ้าอาหารเกิดรูปเหล่านี้จึงเกิดพันจิตตชรูปก็ชื่อว่าแสดงแล้วพราะเมื่อใดที่อาหารขาดจิตตชรูปนะเริ่มเริ่มกระโ p l กระเพลกเต็มทีแล้นะเริ่มมีปัญหาละ อย่างคนที่มีโรคประจําตัวที่จะต้องทานยาเป็นประจําเลยนะลองมือไหนขาดยาดูสิเหนไหมผู้การเล่าว่าขลืมยาลดความดันไปทานไม่กี่มื้อเท่านั้นเองนะหลังจากนั้นเริ่มนะจิตตชรูปชักไม่ค่อยดีแล้วชักงกเง่งงกเง่งเต็มดีแล้วนั่งฟังธรรมก็ลําบากถ้าพวกโรคหัวใจงงนะถ้าขาดยาเป็นยังไงอันนัเดือดร้อนมากเลยนะพันพวก จิตแต่ชรูปเริ่มมีปัญหาถ้าหากว่าอาหารชรูปไม่มีปัญหามีปัญหาเพราะพวกอุตูชรูปก็เชื่อว่ากล่าวแล้วเพราะอุตูชรูปก็เป็นผลพวงที่ที่มาจากกรรมมาจากอาหารมาจากจิตอีกครั้งหนึ่งนะพวกนี้ก็เรียกว่าเรียนเรื่องกรรมมสมุทฐานนั้นพวกสมุทฐานเนี่ยพระองค์ตรัสบอกเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดก็เชื่อว่าแสดงแล้วซึ่งอย่าลืมว่า คนสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาฟังแล้วที่เหลือเขาจะเอาไปคิดสมมติว่าพูดหนึ่งสูตรนะเขาจำได้เกือบทั้งหมดแล้วเขาคิดหนึ่งวันนะก็จะให้สูตรเขาไปาคร่าวๆเขาจะไปคิดเป็นวันๆเลยนะแล้วก็มาเรียนต่อมาฟังต่อเป็นต้นเพราะงั้นพวกนั้นเขาจึงสามารถเอาไปวิเคราะห์เอาไปตรึกเอาไปใคร่ควรได้เห็นมาก